คะแนนสูงกว่านะเขาว่าเป็นเปอร์เซ็นต์เลยนะฝรั่งนี่ชอบทำอะไรเนี่ยต้องมีตัวเลขยืนยันทำคะแนนคณิตศาสตร์เนี่ยสูงกว่ากลุ่มแรกเนี่ยสิแล้วก็มีพฤติกรรมดีนะมีมารยาทมีความเอื้อเฟื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นนะยีมีความก้าวร้อยน้อยลง20กว่าเปอร์เซ็นตะ์ะแล้วก็มีก็เรียกว่ามี การโอภาปาศัยนะมากขึ้นดีกว่าเดิม20ยสกว่าเปอร์เซ็นต์ผลการวิจัยนี้ก็ทำให้เขาเขาตื่นเต็นกันมากนะเพราะว่าก็รู้มาก่อนแล้วว่าการทำเจริญสติเนี่ยมันทำให้เครียดน้อยลงนะใจเย็นมากขึ้นแต่ไม่คิดว่าจะทำให้ผลการเรียนนะดีขึ้นนะ แล้วก็เพราะว่าเด็กนะก็มีความสุขมากขึ้นด้วยมาเที่ยวอีกกลุ่มหนึ่งพูดง่ายคือว่าเด็กเนะี่ยก็เก่งด้วยนะดีด้วยแล้วก็มีสุขด้วยอันนี้คำว่าเก่งดีมีสุขนี่ก็เป็นสิ่งที่ผู้กำกับ น, นานในเมืองไทยนะโรงเรียนหรือการศึกษาต้องทำให้เด็กเก่งดีมีสุข <Okay. S 1> แต่ว่าในเมืองไทยนี้เด็กความรู้ด้อยลง ตกต่ำลงอย่างไม่น่าเชื่อนะวันก่อนเพื่อนมาบอกว่าเนี่ยเด็กนักศึกษารัชพัฒนนะนักศึกษานะไปเปิดพระเจ้านุ ก, กรมหาคำว่าอะไรรู้ไหมหาคำว่า A.R.E E A ีอา e มันแปลว่าเป็นนะนะคำว่าอาร์เนี่ยแอมวอเนี่ยนะเด็กปนหนึ่งเนี่ยควรจะรู้แล้วมันคืออะไรนะสมัยเด็กนมาอยู่ปนหนึ่งก็รู้แล้วแอม am was r uh, น uh, uh, uh, uh, uh ี่หรือ word นี่มันคืออะไรแต่เด็กนี่นะมัธยไอ้เด็กเด็กอ่นักศึกษารัชพัฒนะไม่บอกหมายเท่าไรเปิดเพราะยัทุกคนหาคำว่า r นะอย่างดีนะที่อุตสาห์เปิดนะแต่ว่าแสาความรู้ภาษากิจต่ำมากเทียบเท่ากับเด็กชั้นป .1 ได้เลยนะ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 าการเรียนดีขึ้นแล้วก็มาร ย, ยาทแล้วรวมทั้งพฤติกรรมนะเขาใช้คำว่าโปรโซเชียลโปรโซเชีย so ลหมายความว่ามีความเ e อื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้นแล้วก็มีพฤติกรรมดีขึ้นพฤติกรรมทางสังคมมีความก้าวร้าวน้อยลงแล้วก็มีความเครีคยดน้อยลงด้วยก็เรียก ว, ว่าครบชุดนะเก่งดีแล้วก็มีสุข